วันนี้ก็นับว่าโชคดีปีใหม่ศรีมิงขวัญมงคลชัยคืออายุวณะสุขาพระประฏิภาอทนาสารสมบัติเป็นพร อ, อันประเสริฐคำว่ า, าพรตัวนี้ประวัติอันประเสริฐร่ำเลิศทุกประการคิดอะไรสมความมาุ่งมาปรารถนาจึงรววพรปีใหม่แต่เราท่าทั้งหลายวันนี้ต้องสำนึกข้อหนึ่งว่า เราล่วงโ้นไปได้หนึ่งปีเราก็แก่ไปหนึ่งปีแล้วโปรดํำนึกหน้าที่สมัญญาในชีวิตของตนเองเป็นข้ออันดับแรกข้อที่สองลองลงมานั่นหมดเวลาไปในปีนี้ 2,530 หรสสิบร่วงแล้วผ่านโพ้นไปแล้วหนึ่งปีในปีนั้นเราก็ได้รับพรเมื่อปีที่แล้วมาว่าอายุวันนะ สุขภาพระปฏิภ า, านถนาสารสมบัติทุกคนเรามีอายุยืนผ่านพ้นมาแล้วหนึ่งปีแล้วก็มีจิตใจเบิกบานแช่มชื่นผิวพรรณผุดพองเหมือนทองคำธรรมชาติอันประเสริฐล้ำเลิศอยู่ในภายในใจหน้าตาเราก็ยิ้มเบิกบานเสมอมาหนึ่งปีล่วงไปแล้วมีความหมายอย่างนั้นคืออายุเราก็ยืนพ้นไปได้หนึ่งปี ผิวพรรณผ่องใสมาหนึ่งปีแนละ้วมีทั้งทุกข์มีทั้งโศกมีทั้งโรคมีทั้งภยัยมีทั้งเสนียดจังลายระทมค้มขืนผ่านพ้นไปแล้วหนึ่งปีมีความหมายในพรปีใหม่มากคือวันณะผิวพรรณผ่องใสมีความหมายวันณะผิวพรรณผ่องใสสุขขังคือความสุข ก, กายสบายใจ ติดจะรำลาบเลินชื่นบานมีทั้งทุกโศกโรคภัยสลับขับสนกันมาและพ้นไปแล้วหนึ่งปีมาปีนี้ก็เป็นสริมขวัญมงคลของปีใหม่ที่เราได้มาร่วมใจกันสามัคคีกันทอดปลาป่าสับปริวาลังให้อายุยืนคือข้าวสารมีขา้ขขาวสกข้าวสารสับปริวารังเครื่องใช้ไม่สอยทุกประการก็สมกับความนึกของเราคือพรปีใหม่ ทุกคนขอแต่พรสวัสดีปีใหม่กินเหล้าเมาสุราเล่นกันทํานองนี้อันนี้ไม่ใช่พรไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีฤทธิ์มีอํานาจวัฒนาแต่ประการใดเป็นพรที่ต้องเสียเงินเสียทองไปเปล่าปราชาจากประโยชน์ไมไ่เคยคิดถึงพรขอ้อนี้เราเจอกันก็บอกสวัสดีปีใหม่ขอแท้จริงก็พอรอันสวัสดีมีดีที่จะให้เขาหรือไม่ประการใด วาจาเราจะสับสิทธิ์เหมือนพระล่วงเจ้าหรือไม่ประการใดสัจจังเวอมตาวาจามีความจริงใจไหมมีความจริงจังไหมมีจิตตั้งใจถึงไม่ลำพึงลำพันให้งานสําเร็จรู้ร่วงไปโดยดีผู้มีปัญญาอย่างนี้จึงละลียกว่าพรแปลว่าพรต่อพรบุญต่อบุญบาปมันก็ต่อบาปกันไปทํานองนี้เป็นต้นอัตมาจะกล่าวพรนี้ให้ลึกซึ้ง น้อมนึกถึงเรื่องเก่าจึงจะเป็นเหตุของพอรในวันนี้ด้วยเรื่องเก่ามาเล่ากันใหม่เพื่อเป็นอดีตสดุกดีให้ความดีแก่ท่านทั้งหลายที่ความซึ้งใจที่มีการมานานแล้วเพราะโลกมันกลมพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โลกกลมไม่ชะโลกแบนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงกันไปตามสภาพและเราก็ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตด้วยบัจจุบัเราเปลี่ยนชีวิตมาม า, มากหลายมาถึงชัววัยชราแล้ว บางท่านก็เปลี่ยนจากทารกออกมาเป็นเด็กเล็กๆร้องเอาแหวกแล้วเปลี่ยนมาเป็นเยาวชนเปลี่ยนต้นชนปลายเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นหนุ่มเป็นสาวมีครอบมีครัวมีหลักฐานมีงานทํามีสามีภรรยาเป็นคู่ครองมีทองแผ่นเดียวกันมีมนุษยสัมพันธ์แล้วก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อ ย, ยๆจนทุกวันนี้นะมีความหมายหลายชั้นดังที่กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นขอสุขดีความดีของท่านทั้งหลายเป็นความสวัสดีปีใหม่ ก็สิ่งทั้งหลายในโลกนี้ต้องมีเหตุมีอริยสัจสี่คือมีทุกข์มีสมุทัยนิโรธมากมีเหตุมันถึงจะมีผลมีต้นมันถึงจะมีปลายมีหวงมันมีหัวมันก็มีหางมีหญิงก็มีชายมีกลางคืนต้องมีกลางวันมีความสุขก็ต้องมีความทุกข์สับสนอลมานกันไปอย่างนี้บางทีเรามีความสุขมันก็ไม่มีความทุกข์บางครั้งมันมีความทุกข์ความสุขก็หายไป ในจิตใจเราก็เศร้าหมองผ่อน ล, ลนผล่อปลนกันไม่ได้โดยวิธีนี้ท่านทั้งหลายนักธรรมะต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงของโลก น, นี่ยโลกเอ๋ยโลกมนุษย์แสนจะสุดซึ้งคําาโลกแปลว่าอะไรอันหมูสัตว์ที่เราอาศัยกันอยู่นี่คือโลกอีกส่วนหนึ่งโลกเอ๋ยที่อยู่ในตัวเราอย่าลืมโลกกายโูกใจโลกระทมของคืนฝันหวานในค่าคืนทุกเวลา มีทั้งโลกภายนอกมีทั้งโลกภายในโลกอันยิ่งใหญ่ก็คือโลกอันหมู่สัตว์ที่เราจะพึ่งพาอาศัยกันอยู่ในโลกมนุษย์นี้น้ําจะต้องพึ่งเรือเสือจะต้องพึ่งป่าโบราณชันว่าว้ชายจะต้องขับเปลือกหญิงเข้าสารโบราณว่าน้ําจะต้องพึ่งเรือเสือต้องพึ่งป่าอาศัยเราก็จิตคิดดูบ้างเขาก็ใจมีความหมายอย่างนั้นแล้วเหตุผลเราพึ่งกันเราอยู่ในโลกมนุษย์นี้คือโลกอันหมู่สัตว์ ที่พึ่งพาอาศัยกันอยู่ระหว่างครอบครัวสามีภรรยาก็แสดงตัวบุคคลออกมาจากทองค่อมมารดาในเมื่อออกจะมาทองค่องมารดาแล้วก็แสดงตัวบุคคลเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดมีบริษัทกันต่อไปมีลูกมีหลานมีงานมีการให้ขยายวงแคบออกไปในวงกว้างยอมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เราอาศัยอยู่นี่โลกเอ๋ยโลกการโลกเอ๋ยโลกใจอยู่ประจําตัวเรา โลกเอเ๋ยคือหมู่สัตว์ที่เราจะพึ่งพาอาศัยกันอยู่ในบ้านและหมู่ชนบุคคลทั่วไปมีความสําคัญในบ้านนี้มีความสําคัญในหมู่บ้านนี้มีความสําคัญในตนนําบลนี้มีความสําคัญในอําเภอหนั่นและจังหวัดนั้นมีความสําคัญทั้งเขตขานปัตตสีมามีความสําคัญทั้งประเทศเป็นเหตุผลกองบุคคลสําคัญมีความหมายอย่างนั้นที่รับผิดชอบร่วมกันที่เ น, นอยู่ในโลกมนุษย์นี้คือหมูสัตว์ ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันนั้นไม่มีอะไรเลยที่เต็มไปด้วยเมตตาราณีต่อกันที่เราจะอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขอะไรหนอเป็นผู้ประทับโลกนี้ให้อยู่ด้วยความมั่นคงโลกนั้นคือโลกอะไรที่อุปถัมภ์ได้ได้แก่เมตตาผู้มีจิตเป็นกุศลผู้มีจิตกายอารีเอื้อเกิดความสามัคคีในหมู่สัตว์ที่เราดูดูร่วมกันนั้นเป็นความสําคัญมากบางคนไม่มีเลยมีน้ําใจก็ไม่งาม สามสว่างขาดผู้ใจน้ำใสใจจริงก็ไม่มีอยู่ในสิ่งของบุคคลนั้นจึงไม่มีความที่จะเป็นพึ่งพาใจกันในโลกมนุษย์นี้นับภาษาหลายโลกที่อยู่ในวงกว้างยังจะต้องอจฉากันริษยากันไหนเลยแล้วโลกกายมันก็เบียดเบียนโลกใจก็เกิดขึ้นจิตใจก็เศร้าหมองจิตใจก็ไม่สบายผ่อนคลายกันไม่ได้ไม่พ่อนชั้นผรนยาวกันอยู่ด้วยความแตกแยกแบ่งชั้นวรรณะการเพราะไอ้โลกนี้เอง คือมูสัตว์แต่หมายความมามูสัตว์คือชีวิตผู้มีจิตใจเพื่อเอื้ออารีเมตตาธ้ำจุนถะกระปั้มโลกไว้หน้าคือเมตตาให้เราอยู่ด้วยความร่วมกันด้วยมนุษย์สัมพันธ์จึงต้องพึ่งปาศัยกันดังกล่าวแล้วเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าโลกนี้คือโลกรลมไม่ตายก็เจอกันอย่างนี้ปีหนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งก็ยังดีแล้วก็เวียนกันไปเวียนกันมาแล้วไปหาที่เดิม เราเคยมาจากไหนต้องไปหาที่นั่นเพราะเรายังไม่สําเร็จมาผลนิพพานจากประการใดก็เวียนไปเวียนมาลลมหายายจากไปแล้วก็มาเกิดอีกแล้วต้องมาเจอกันอีกทํานองนี้เป็นตน้นคนเรามีมูลสัมพันธ์ต่อกันเคยเอื้ออารีเกื้อเกิดความสามัคคีกันเคยได้ช่วยเหลือกันจูงกันอุปถัมํารุงกันด้วยเมตตาแล้วเราก็ต้องมาช่วยกันอีกต้องมาเจอกันอีกในวันเวลาต่างๆกัน เรายอมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่พระพุทธเจ้าเป็นยอดนักวิทยาศาสตร์ที่มองเห็นเนีประกาศได้ชัดมากดังที่เราจะเห็นได้ในยุคปัจจุบันทุกวนันนี้คนเรามีเหตุมันจึงจะมาผลมันจะเกิดในปัจจุบันอย่างนี้เป็นตน้นถ้าเราไม่มีเคยร่วมกันเป็นญาติกันมาทั้งอดีตชาติแล้วชาตินี้เราคงไม่พบกันคงจะไม่เจอกันดังกล่าวแล้วคนเรามาต้องเนื่องถึงการโดยเมตตาเพื่ออารีการช่วยเหลือกันมาก่อนจากครั้งอดีตมา มาในชาติต่างๆก็ต้องไปช่วยเหลือคนโน้นช่วยเหลือคนนี้เพราะ ส, ะสายสัมพันธ์มันช่วยกันเป็นดึงโดดต่อกันในความดีมีปัญญาสำหรับบุคคลผู้มีเมตตาผู้มีเจตเป็นกุศรเท่านั้นจึงจะมีอายุมัน่นขวันยืนตลอดการประวัติศาสตร์ของโลกมนุษย์นี้อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นศขไหนเลยแนละท่านทั้งหลายโลกหมูส่สากยังเบียดเบียนกันไหนโลกตายประจาจิตโลกชีวิตประจาใจ มีความระทมคมคืนข้ามคืนอยู่ในใจเราตลอดเวลาการหาความสุขไม่ได้เลยหาความสุขไม่ได้มีแต่ความทุกข์ระทมอยู่ในจิตใจโลกตัวนี้ร้ายมากไอ้โรคหมูสัตว์เพอจะหลีกเลี่ยงกันได้ไอโ้โรคไายโลกใจนี่หนีนเลี่ยงไม่ออกบอกไม่ได้เลยมันอยู่ประจําตัวใครตัวมันสร้างขึ้นมาสร้างกุศลขึ้นมาในเรื่องความเป็นอยู่ของชีวิตนี่มีความสําคัญมากบางคนก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้จะประการใด อาตา ม, มามาดํำรงตําแหน่งเจ้าวัดที่วัดนี้พศ2499ดำองตําแหน่งแต่งตั้งโดยถูกต้องตามหลักลญญาราชบัณฑิตคณิตของพศ2525จตวรรษพอดีที่มาดํารงตําแหน่งเจ้าวัดทั้งวัดนี้มีความหมายเริ่มต้นแต่อุโบสถตามดับมาอย่างนั้นยังไม่ได้สามโบสก่อนจะมีปรากฏชัดสะดวกดีท่านญาติพี่น้องทั้งหลายจะมารวมกัน ในปีสําคัญคือวันนี้มีความหมายเช่นนั้นมาอยู่ดํารงจเจ้าว่า 2,100 2,101 มีการที่พึ่งมีคนหนึ่งคนจีนมาเจิมรถที่วันนี้พระพุทธเจ้าหลวงทรงประทับเด็กคนหนึ่งก็บอกอจะมาว่ามีความหมายญาติจะมารวมกันที่นี่นี่พระพุทธเจ้าหลวงทรงประกาศอโมโทนาและจะมีหอประชุมให้ท่านทั้งหลายนั่งอยู่ในบัตรนี้ จะมีทาหารเข้ามามากมายในอนาคตตระการวันข้างหน้าต่อไปประการที่สามก็บอกไว้ชัดบอกว่าจะมีท่านเจ้าคุณอาจารย์โดยเจ้าพระคุณต้นเด็ดโตมีญาติของท่านจะเอามาไว้ในโรงโบสถ์ในปีพศ .2330 ดังที่กล่าวเช่นเดียวกันเหตุการณ์ก็ตรงมาตามหมายดางที่กล่าวแล้วเช่นเดียวกันพอดีในเวลาการต่อมาูอโบสถ์หลังเก่า ก็ชมรุททดสมเพราะสมัยเหมิงเชี่ยวเป็นต้นบรรดาญาทั้งหลายก็มาร่วมกันอนุโมทนาเริ่มต้นโดยโบสถ์จะพังในวันพรุ่งนี้เวลาสามโมงส้านาทีแล้วก็เป็นพังได้ทันทีไม่ได้รอรีแต่การใดแล้วก็เสียงประหลาดดังขึ้นบอกไว้ชัดอีกเช่นเดียวกันท่านไม่ต้องตกใจเสียใจของคนเก่าเขาจะมาสร้างันเองในเวลาไม่ช้า ในเวลาการต่อมาเหตุผลต้นปลายก็คือคลายเข้ามาสู่ในภาวะของโลมนุษย์และสิทธิใจสะอาดบริสุทธิ์คนเคยไหนเคยไปทําที่ไหนต้องไปทําที่นั่นต้องไปถ้วยที่นานตลอดเวลาก็เริ่มต้นเข้ามาคลนเก่าเล่าสมัยหมิงเกี้ยวมีความหมายมากก็เริ่มเข้ามาวัดเป็นต้นเริ่มต้นด้วยในทองช้อยโชโรทอนในสมเกตวัฒนาศิลป์พลตรีวสันพานิช ก็สสนิทมิตรหายก็ร่วมใจกันอนุโมทนาผู้โบสถก็ได้เสร็จภายในปีสิบกวันดังที่กล่าวแล้วเช่นเดียวกันนอกเหลือจากนั้นแล้วสายสัมพันธ์ของญาติ่น้องทั้งหลายดังที่กล่าวไว้แล้วก็จะมาร่วมกันอนุโมทนาสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะกล่าวว่าพระคุณอาจารย์ของท่านจะมาประทับอยู่ในโรงโบสดโดยญาติเอามาจะเป็นญาติของใครมิได้ทราบเพียงแต่กล่าวว่าญาติเอามา ยาขนเจระคุณสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์ท่านกล่าวไว้ชัดแล้วก็ได้ความหมายเต็มไปด้วยเหตุผลข้อเท จ, จริงดังที่กล่าวมาแน่วทุกประการนอกเหนือจากนั้นยังมีท่าถึงน้องทงั้งหลายมาร่วมการสนับสนุนคือโลกมนุษย์นี้อยู่ด้วยจิตใจใจสะอาดด้วยเมตตาอาลีกันมาจังหลายอาดีตแต ท, าทา่าแน่จึงจะมาช่วยการสนับสนุนทาให้วัดของเราเกิดหอประชุมขึ้นมาหลังจากเวลาการที่จมา ที่ผ่านพ้นไปแล้วในวันนั้นกฎแห่งกรรมมาถึงที่จะมาจะร่วมตายร่วมกันกับนาวาตรีวา่าจิแก้วในวันที่14ตุลาที่ยั45คอจ้องพานรอร์21ในวันนั้นอย่างแน่นอนเราหมดเวลาเสแล้วเราจะต้องจากโลกมนุษย์ไปดังที่กล่าวแ้วแต่พระพุทธเจ้าหลวงกล่าวไว้ว่าจะต้องใชนในมนุษย์จะต้องแสนจะสุดซึ่งในหลักบันทึกไวจะต้องมีหอประชุม แล้เราจะต้องตายเช่นก่อนแล้วก่อนที่จะมีหอประชุมแต่แล้วก็ฟื้นคืนเขึ้นมาได้แต่นาวาตรีว่าเท็จแก้ ว, ว, วท่านก็ต้องเดินทางไปคอยข้างหน้าบอกอาตมาว่าหลวงพ่อผมไปคอยข้างหน้านะหลวงพ่อไปทีหลังก็ไม่เป็นไรเปร อ, อนุโมธนาสาธุการอีกด้วยความซาบซึ้งใจนี่คนเราก็ต้องไปกันก็ไปรอ ข, ข, ข้างหน้าถึางนั้นแต่เราไปไม่พร้อมกันก็เราต้องมาใช้นี่กันอย่างนี้สร้างหอประชุมขึ้นมา ก็มีทหารก็มาตลอดกระทั่งครูมาจานก็ติดการทุกขิจาตลอดกระทั่งนึกษาโดยที่พระพุทธเจ้าหลวงที่กล่าวแล้วท่านบอกไว้ชัดก็โลงตามเหตุผลต้นตายอย่างที่กล่าวมาทุกประการยาโลงก็อุปถัมบำรุงร่วมกันถือสําคัญเป็นการสรุปดีข้อผิดในชีวิตของเหตุผลที่ท่านต้องมาสร้างกุศลที่นี่เพราะวัดนี้8ปดอปีให้หลังยังมีหลักสําคัญอยู่ในตู้ประจารยดกพศสองพัน อ่าสอง่า2หนึ่งก็มีสอง0สิบก็มีพศสองพัหนึ่งก็มีมีหลายตู้ดยการตลอดกระทั่งทรัพย์สมบัติอ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ยังมีอยู่ปรกากฏชัดในตู้นั้นนอกเหนือจากนั้นยังมีทรัพย์สมบัติคือลายอักษรของเจบปคุณสมเด็จพระพันล้านวัดปากแก้วที่้าลึกลานทองคำ ถาวายพระสมเด็จทะเลสวนมหาล่าี่เรียกว่าถาวายพระพรชัยมงคลได้แก่พาหุงมากามีความหมายมากขอญาตทั้งหลายเอาไปลูกหลานสวดพาหุงมากาสวดชัยมงคลคาถาเรียนหนังสือสมเด็จจะสอบเข้างานก็สมเด็จแต่ปัญหามีอยู่ว่าไม่สนใจที่จะสวดไม่สนใจที่จะดําเนินงานเลยกิจกรรมนั้นก็เสียหายทําอะไรไม่สมเด็จคนที่จะมีความสําเร็จในชีวิตน่าต้องมีพร4ี่ประการ มีอายุวรณะสุขาภละอยู่ในตัวตอนอยู่ในบุคคลที่สร้างผู้สอได้รับพรจากผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่มีหลายประเภทด้วยกันผู้ใหญ่โดยโด ย, โดยโวัยวุฒิผู้มีอายุมากกว่าเราผู้ใหญ่โดยโคุณวุฒิถึงหากว่าอายุน้อยกว่าเรามีความรู้ดีมีคุณสมบัติดีผู้ใหญ่โด ย, โด ย, โดยโชาติวุฒิได้แก่ผู้ใหญ่มีชาติสกูลสูงจะเป็นเด็กหรือจะเป็นผู้ใหญ่มีะกูลวงศลงความหมายอยู่ในธรรมะ ได้แก่คุณธรรมบางคนที่มีคุณธรรมถึงจะอายุน้อยก็ไม่สําคัญสําคัญว่ามีความจริงใจก็จริงจังหรือไม่มีจิตเป็นกุศลประการใดบุคคลหัวอ่าหัวงอกแก่แล้วแต่แย่เหลือเกินอยู่นานไม่ในนานรู้นานศึกษามาอยู่นานด้วยคุณธรรมดังที่กล่าวแล้วก็ไล่ความหมายขาดค่าของพรสีประการพรสี่ประการจะลึกซึ้งสําหรับบุคคลนั้นต้องมีพรดังนี้ผู้ให้ก็ต้องมีดีให้เขา ผู้รับก็ต้องทําพรที่รับเอาไปใชใ้เกิดประโยชน์รับแล้วเอาไปทิ้งเหมือนยกตัวอย่างให้ญาติน้องทั้งหลายฟังว่าเขายกของทรัพย์สมบัติพ่อแม่ยกให้เราเอาถ้วยแกงให้เราหนึ่งลูกกลับเอาไปทิ้งซะได้พ่อก็อให้แม่ก็ให้พ่อแม่ทั้งสองรวมการให้มือสองเท้าสอง ส, องสองมองหนึ่งกับลูกนะแถมให้สมบัติในวัตถุเออลูกเอ้ยหลานเอ้ย แม่ไม่มีอะไรจะให้ดูต่างหน้าแม่ไม่ช้าแม่ก็จะตายเอาถ้วยน้ำพริกไปลูกนะลูกนะลูกก็เอาไปทิ้งซะแล้วเอาไปขายแจกกันหมดทรัพย์สมบัติก็ทาลายไปไม่ได้เก็บหอมรอมิษณไม่แจกประการใดนี่หรือมิ่งฝันมงคลชัยเรียกว่าสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่หายากไม่ค่อยจะมีมิจะกินเหล้ามาสุลาเฮเฮเฮเร้องเล่เล่การตานองนี้อยู่ตามร้านกาแฟ ตามร้านเล่านัาน่นแหละออกแขกไม่ดีเริ่มต้นตุ้ปีแล้วรับรองเล่นมาดีตลอดรายการรับรองแน่นอนถ้าคนออกแขกดีแน่น่าพาดดีนะรับรองบทบาทดีตลอดโครงการและโปรเจกต์ของชีวิตของเขาเขาจะเดินทางไปสู่ความสุขความจเจริญเหมือนออกแขกบอกเรื่องดีมันต้องเล่นดีออกบอกแขกออกเรื่องไม่ดี บอกเรื่องมาดีโปรเจกตมาดีแล้วโครงการใช้ไม่ได้นโยบายพื้นฐานไม่ดีออกรูปแบบใช่ไม่ได้รูปแบบไปเต้นล็อกกันในร้านกโาโแฟละาล่าแล้วก็รูปแบบนั้นมันก็ออกไปแสดงออกให้เรามีกฎแห่งกรรมจากบุญญกรรมจากการกระทําของบาปกรรมเริ่มต้นปีออกแขกไม่ดีไหนเลยลิเกละครชีวิตจะเล่นดีแล้วมันจะเล่นไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายมาออกแากบอกเรื่องราวในวันนี้คือทอดผ่าเข้าสาร เพื่อต่ออายุทําไมคนถึงจะมีอายุยืนทุกคนนี่อยากได้รับพร พ, พรแปลว่าอะไรแปลว่าความประเสริฐล้าเลิศทุกประการทุกคนอยากได้ของประเสริฐอยากได้เพชรนิลจินดาในภายนอกแต่ภายในใจแต่อย่างอื่นจะไม่อยากได้เลยเอาทุกขมาให้จะเอาไหมเอาของที่ไม่ดีมาให้จะเอาไหมจะไม่มีใครอยากได้ ทุกคนอยากได้ของดีอยากมีปัญญาอยากมีหลักฐานมีงานทําอยากมีคู่ครองไปท้องแผ่นดิวกันอยากจะมีจากความสุขความเจริญไม่ต้องการมีความทุกข์เลยเพราะทุกคนเนี่ยทุกคนรู้กันทั่วไปว่าเกลียดความทุกข์รักความสุขด้วยกันทุกคนเหตุชะไหนหนอจึงไปสร้างแต่ความทุกข์สร้างแต่ความยากสร้างแต่ความลําบากตลอดเลการบุญญาทานไม่ทำํำอุศนไม่สร้างไปหาญาณเอาเงินไปจ่ายแหลกแตกกลางันในสังคม ไม่เกิดประโยชน์สอิผลจะประการใดไม่ได้สร้างความดีกับลูกไม่ทําถูกไว้กับหลานแต่ประการใดรับที่ถูกไม่ถูกวิธีทําความไม่ดีให้ลูกดูแล้วไหนเลยลูกจะรักษาทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ไว้ได้คุรสมบัติก็ไม่มีเชื่อผู้ลาบมากดีก็หมดไปจิตใจก็เรียวราในสังคมไหนเลยเราเป็นคนดีมีปัญญาจะสวัสดีปีใหม่กันตรงไหนประการใดทุกคนอยากอายุยืนไม่อยากจะตาย ถึงหากจำเป็นจะต้องตายก็รอชะลาชะลอเวลาตายให้ชาลงไปก็ปะจะเกิดประโยชน์ดีมากมิใช่น้อยทุกคนต้องการอายุยืนวิธีทำอายุยืนทำอย่างไรมีความรักษาสุขภาพอนามัยตรงไหนประการใดเราก็หมั่นทำทานอายุยืนนี่หมายความว่ามีข้าสุขสารมีอาหารทุกคนรับแล้วมันก็สามารถยังชีวิตอยู่ได้ตลอดปลอดภัยอีกประการหนึ่งประการที่สองมีจิตเมตตา ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ใจดำเอาไม่เห็นเทียมโหดทาลุนดูร้ายฆ่าสัตว์ตัวเป็นให้จำตายแล้วคนนั้นมีแต่อายุยืนมีแต่แม่ตาปราณีอลีเ อ, อื้อเฟื้อขาดเหลือคอยดูกนหน่าสงสารสรรประสว์ทั้งหลายเ อ, อ๋ยที่เกิดมาในความทุกข์ยากลำบากในโลกมนุษย์ถ้าเราจะช่วยคนดีแล้วไม่ต้องไปช่วยเขาญาติโยมที่รักทั้งหลายเ อ, อ๋ยถ้าเราจะมีชื่อเสียงเนี่ยคนมีร้อยคนคนดีต้องปาิคน คนชั่วก้าย 20% ี20่คนถ้าเราไปชั่วคนชั่วให้เป็นคนดีสักคนเราก็ชื่นใจคนดี8ปิคนไม่ต้องไปช่วยเขาเขาดีอยู่แล้วนะแต่คนไม่ดีคนชั่วแล้วเราช่วยเขาขึ้นจากน้ำมาได้สักหนึ่งคนเหมือนคนเราช่วยคนตกเหวไปแล้วช่วยมาหนึ่งคนเราจะปลื้มใจแค่ไหนต่อหนึ่งคนจะตกเหวไปแล้วลืมต า, าปากได้ เ, เขาจะชื่น อ, อกชื่นใจนั่นแหละพรอันประเสริฐ ร่ำเลยของเราที่มีอยู่ในใจเราทุกวันในนี้นะ่ยเราจะไม่เป็นคนใจดําเอามาขิด ต, ต่อไปแล้วจะเป็นคนมีจะสร้างผู้สอมีเมตตาถ้าเมตตาอยู่กับบุคคลใดอุปถัมภ์โลกให้มีความสุขในโลกมนุษย์คือหมู่สัตว์ในบ้านนั้นมีความสุขถ้าท่านผู้นามีเมตตาเข้าไปบ้านไหนบ้านนั้นมีความสุขคนไหนไม่มีเมตตามีอผู้สอนละารามเข้าบ้านไหนบ้านนั้นเดือดร้อนตลอดรายการหาความสุขปราศจากความทุกข์ไม่ได้เลย มีความหมายอย่างนี้แตมามีความคิดว่าถ้าเราช่วยคนชั่วสักคนให้เขากลายเป็นคนดีขึ้นมาสักคนเนี่ยเขาไปมีเมีย ม, มีลูกครูเขาก็อยู่เย็นเป็นสุขเขาไปมีผัวผัว ก, ก็อยู่เย็นเป็นสุขในบ้านนั้นนับว่าเราสร้างชีวิตในครอบครัวทีเดียวคนที่มีความดีต้องแปดสิบคนนั้นหรือร้อยคนก็ตามไม่ต้องไปช่วยเขารอเขาดีอยู่แล้วแต่เราที่มีความสามารถ เขาสามารถมีบุญวัสนาบารมีนำส่งกุศลจะได้ช่วยถึงกลางมวยแม่ม ว, ย ม, ว, ย, มวยมรณาก็คือช่วยคนชั่วให้กลายเป็นคนดีช่วยคนที่ตกน้ำให้ขึ้นจากน้ำช่วยคนตกแขวให้ขึ้นจากแขวช่วยคนกำลังมีทุกข์ให้พ้นทุกข์ถึงบรมสุขโดยชั่วหน้าการเขาจะชื่นใจแค่ไหนนี่พร อ, อันประเส ร, ริฐลําเลอทุกประการถ้าเราเกิดมาสารกลโลกมนุษย์ไม่ได้ช่วยใครเลย มีแต่คนให้คนอื่นช่วยเราเราจะอยู่ไปทำไมเล่าอยู่ไปก็ให้คนอื่นช่วยเราเราจะช่วยใครไม่ได้เลยชยหรือเราจะอยู่ในโลกนี้เลยไม่เกิดประโยชน์ต่อโลกมนุษย์พรก็ไม่ประเสริฐน้าเลิศทุกประการก็อยู่ด้วยความสังกาดไม่ช่วยใครได้แล้วพรดีมีปียานสามารถแปล ว, ว่าช่วยคนให้คนทุกขสามารถแปล ว, ว่าช่วยคนมีทุกข์ให้มีสุข สามารถที่จะช่วยคนที่อยากดีมีจนให้ล่ํารวยขึ้นมาอย่างนี้สี่ถึงเรียกว่าสามารถไอคํำมาเชี่ยวชาญวิชาการไม่ใช่อย่างนี้คนที่ดีมีปัญญาจะต้องเป็นการช่วยเหลือกันตลอดเวลาเหมือนองค์สมเด็จประจํา ม, มาทั้งพระเจา้าทรงช่วยสรรพสัตว์ทั้งโลกให้พ้นทุกข์ถึงบรมสุขโดยทั่วการคือนิพพานไม่มาเวียนว่าใจเกิดอยู่ในวัตวสงสารอีกต่อไปแล้วอย่างนี้เป็นการช่วยค้าทุนโลก โลกมูสัตจะอยู่ได้ก็เพราะเราเมตตากันครอบครัวจะอยู่น่าเพราะสามีเมตตาภรรยาภรรยามีเมตตาต่อสามีพ่อแม่มีความกรุณาสงสารลูกและลูกก็มีความสงสารพ่อแม่รับกลมเกลียวไปอันหนึ่งอเดียวกันในบ้านนั้นบ้านนั้นอยู่ด้วยมีความสุขอยู่ด้วยความเจริญบ้านไหนอยู่ด้วยความแตกแยกแปลกกัน ทะเลวิวาดกันแล้วบ้านนั้นหาความสุขไม่ได้เลยโลกคือหมูส่สัตร์ก็ทลายไปโรคตายก็แสกโรคใจก็มาแสงเลยโรคก็เข้ามาสู่ตัวเราก็เกิดจาะระเว้ป่วย่ายล้มตายกันซชื่องวัยวัจะอยู่ต่อไปทําไมเล่าเลยก็กลายเป็นโรคจิตพิจฉัยอยู่ในข้อคิดโลกออกมาเบียดเบียนบีทาเราทําให้เราล้มหายตายวัยคืออายุไม่ยืนอายุไม่ยืนเราท่านทั้งหลายเ อ, อ๋ยถ้าไปช่วยเมตตาใครเข้า เขาก็ดีใจเขาก็ช่วยเราหน้าต่อไปทำให้เราอายุยืนถึงเราจะยากดีมีจนมีเมตตาด้วยคุณธรรมข้อไหนหรือที่จะได้รับพรสี่ประการรับพรสี่ประการคุณธรรมนั้นต้องอ่อนน้อมอภิว่ากราบไหว้ผู้ใหญ่สามประเพย์โดยวัยวุฒิคุณวุรมชาติวุฒิ ทางสามประเภทนี้ตลอดเวลาการความช่วยเหลือนั้นก็จะมาถึงเราเกิดเมตตาธทำให้แก่ตัวเราเขาก็จะต้องเมตตาเราต่อไปเราจะเจ็บเราไว้ป่วยไข้เขาก็ช่วยเราเราอายุไม่ยืนเพราะโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนขึ้นมาเมาื่อใดเขาก็เอาเราไปสู่โรงพยาบาลหรือไปช่วยชะลอความตายของเราให้อยู่ตลอดไปอีกช้านานอีกสองสามปีค่อยตายก็ยังดีกว่าจะตายเชในวันนี้เนี่ยนี่อายุยืน นอกเหนือจากนั้นวันน่ะผิวพรรณผ่องใสถ้าจิตใจของท่านมีแต่เมตตามีคุณธรรมมีศีลลจารวัดมีศีลอยู่ประจำถิ่นใจรับรองใบหน้าของท่านจะเบิกบานผุดพองสวยเหมือนทองคาธรรมชาติที่หลอหลาในใบหน้าของท่านตลอดรายการเพราะน้ำใจงามในเมื่อน้ำใจงามและใบหน้ามันก็สวย ล่ำรวยสวยดีมันมีสิสุกถ้าจิตใจเลียวสามสามช้าไม่มีคุณธรรมไม่มีสิ่งจะแล้วใบหน้าของท่านก็จะยู่ยี่ยุกหยิกถึงหากว่าเราจะไปทําสัญญภาพไปผ่าหน้าดึงหน้าให้มันตึงๆแต่จิตใจมันก็ยิ้มอยู่ภายในไม่ได้มันก็ยิ้มแห้งออกมาภายนอกไหนเลยจะสดใสเราในภายนอกภายในผุดพองน้ำทองคําธรรมชาติที่รอเหลาได้ถ้าจิตใจเป็นกุศลดังกล่าวแล้วไม่เกินแมต่ตา เคยความช่วยเหลือกันเอาไปให้เขาเนี่ยเรามันดีอกดีใจไม่มีภัยไม่มีสเสนียดจังไรแต่ประการใดก็ทำให้ผิวพรรณผ่องใสจิตใจก็งามยิ้มก็ยิ้มสดไม่ใช่ยิ้มแห้งบางคนก็แกลงยิ้มหรือแ้่นยิ้มออกมาเลยก็ยิ้มแ ห, งแหง้งๆววตาก็ไม่วาวแวบแต่ประการใดแววตาก็ขาดไปจิตใจก็ไม่ดีเลยก็แแค้นยิ้มกันไปวันหนึ่งวันหนึ่ง ไหนเลยเราผิวพรรณของท่านจะผุดทองมันทองคำธรรมชาติที่ลอแล้วนี่มีความหมายอย่างนี้สุขภาพดีความสุขหมายความว่าอะไรเรามีความสุขได้อย่างไรถ้าเรามีเมตตาในใจเอาของไปให้เขาช่วยเหลือเขาเจือจานเขาเราก็มีความสุขในเมื่อมีความสุขอย่างนี้แล้วมันก็สบายอกสบายใจด้วยการอภิวาสอ่อนน้อมท่อมตนต่อท่านปูยย่ใหญ มีการเมตตาต่อการกราบไหว้บิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นนิจสินและอธิษฐานจิตเป็นประจำเราไม่โกรธใครมันมีใบหน้าสวยเราฆ่าความโกรธได้แล้วจิตใจสบายก็มีความสุขโดยสุขะภละหมายความภละคือกําลังแต่เรามีเอาก็สุนกรสานไปทําทานทําให้เกิดกําลังกายทาให้เกิดกําลังใจและจิตใจมีเมตตามีศีลานสารวัตม ร, รตมีคุณธรรมดีแน่ สุขภาพกายก็ดีตามการศึกษาเขาจึงมีวิชาพละศึกษาขึ้นมาเป็นวิชาหนึ่งเพื่อให้นักเรียนลูกหลานได้ออกกําลังกายเล่นพละเป็นตน้นนี่ก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องออกกําลังกายทํางานอย่าขี้เกียจแต่ประการใดวันหนึ่งต้องเดิน8กิโลหรือทํางานในบ้านปลูกพืชผักทางยาหารออกเดินอยู่ตลอดเวลาการไหวทิ่งจะยืนเดินนัง่งนอนเหลือซ้ายแลขวากู้เหยียดเียขาตลอดโดยอริยบท ของตนที่ทํางานรับรองกําลังกายก็ดีพรรยสมาบัติก็เกิดขึ้นจิตใจก็เบิกบานกําลังกายก็มากําลังใจก็มีโดยวิธีนี้งานเจ้าถามทระเบิดถ้าเราท่านาทัน้งหลายเอ๋ยอ่อนแอเลือเกินกําลังกายก็ไม่มีโรคใจก็เกิดขึ้นอ่อนแอโชคคนมีกําลังดีไม่ได้ทําอะไรก็คล่องแค ล, ล, ล่วรวดเร็วทันใจถูกต้องเป็นธรรมคนที่ไม่มีกําลังกายไม่มีกําลังใจทําอะไรอ่อนแอ งา น, นก็ไม่เสร็จทําอะไรเหาะเหาะแยะยไม่เสร็จตามผลที่ตนตั้งไว้นี่แหละคนเราถึงต้องมีกําลังกายกําลังใจท่านสาธุชนพุทธบุตรัาทว์ทั้งหลายนะต้องการไม่มีอายุยืนต้องการเลือกเกินต้องการให้หน่าใสใจสะอาดไหมให้สวยไหมต้องการเหลือเกินต้องทําพรนี้นะทุกคนต้องการอะไรอีกต้องการอายุมั่นขวัญยืนผิวพรรณผ่องใสสุขภาพดี ไม่มีโรคกายโรคใจก็ทำใจให้มันดีมีเมตตาต่อการโรคกายไม่มีโรคใจก็หมดไปแล้วพลังกายเรามีการถวายทานต้องการสวยภายนอกไหมต้องการสวยภายนอกกานก็บริจาคเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยเสนาสนะให้แต่ประสงค์องค์เจ้าแก่บรรดายาที่อยากจน เอาเสื้อผ้าอาภรอนไปให้เขานี่มันสวยนอกและวก็สวยในมีจิตใจมีศีลเลยก็สวยนอกสวยในสวยทั้งหน้าตาสวยทั้งหลังล่างสวยข้างบนสวยนอกสวยในสวยในใจด้วยสวยพร้อมด้วยเครื่องอุปกรณ์จับปริวารางครบถ้วนกระบวนการเป็นต้นนอกเหือจากนั้นกําลังกายก็ดีกําลังใจก็ดีท่านทั้งหลายเอาข้อสารมาแต่ละปีในปีนี้ได้สี่ที่เอกสอบดังที่คุณนายบุเรียนได้ชี้แจงอนุโมูธนาแล้ว และจะถูกปัจจัยชชยทานด้วยโดยวิธีนี้นี่แหละเงินไหลนองทองไหลามารวยมาหาศาลพรปีใหม่คือข่าวสารตลอดปีการ2551ท่านจะมีจากความสุขมีอายุมัน่นขวัญยืนด้วยข่าวสารเราจะได้มาเลี้ยงคนอบรมในวัดนี้เมื่อปีที่แล้วก็มีคนมาขอโรงเรียนก็มาขอข่าวสารวัดจะผูกปศุหมาก็มาขอข่าวสารที่วัดนี้ ดูเถะนะควรจะไปขอตามบ้านชาวนาเขามีกระสานกลับมาขอที่วัดเพราะวัดนี่ต้มดกเหลือเกินนะน้าต้นอยู่ที่ไหนไม่รู้มาดกกันอยู่ที่วัดเพราะรวยมากรวยด้วยน้ําใจมีเมตตาต่อกันนะรวยมหาศาลเงินไหลนองทองไหลามาเพราะใจดีเมตตาปราณีกันหวงอดหมดก็ไม่มาเราไม่หวงกันก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆเลยก็เงินไหลนองทองไหลามาเพราะน้ําใจงามน้ําใจดีผู้มีปัญญาเท่านั้น ขอท่านสาธุชนโปรดได้รับทราบดังที่ที่แจงสแสดงมาดังกล่าวแล้วเช่นอยู่กันท่านจึงได้อยากรวยอยากสวยอยากดีอยากมีไม่อยากจนทุกคนรีบทําในพร น, นี้ให้เกิดประโยชน์โสอิแผนผลในชีวิตของท่านต่อไปอาตมาก็ใครขอหนุโมทนาที่เขาสุขสารของกุนนายละไมตายแล้วอย่าเป็นห่วงหน่วงหนักอยู่ในหัวใจมันปีแรกที่แกตายไปก็ขาสารมาอยู่ที่กุฏิอาตมา ก็ทุกคนก็บนคิดถึงกูนายละไมเก่กแก้วตลอดรายการมีพักพวกมีญาติสนิทมิตรหายใครจะหายญาติอันย่ า, ยายเหมือนอย่างกูนายละไมไม่มีแล้วรักการเหมือนญาติพี่น้องจะรักเพื่อนรักพ้องก็รักเหมือนพี่น้องของตอนตลอดรายการไม่เลือกที่รักไม่มักทิทงังแต่ประการใดเหมือนคนสมัยนี้คนสมัยนี้รักการเพรเห็นแก่ของเขาช่วยเราจะรักเขา ใ น, นเน่อันค่าไทยใ่พึ่งเขาจึงรักแม่ทอยสาบสิ้นอำนาจวาสนาเขาไม่ได้อยู่คู่กับชีวาแต่วิชาพึ่งกายจนวายพลานให้ลูกหลานเรียนหนังสือให้มีวิชาหัด ก, กินสมบัติให้ถ้ามันไม่มีปัญญามันก็ขายแหลกแตกล้านหมดมันติดตัวมันไปไม่ได้นี้ยโปรดเอานี้เป็นหลักเราพุทธเจ้าสอนการศึกษาพัฒนาจิตใจให้ดีงานให้อยู่ได้ดรอดปลอดภัยพัฒนาจากอาชีพพัฒนาสังคม ให้เราอยู่ในโลกมนุษย์ด้วยความเมตตาในพร อ, อันสี่ประการนี้จงได้นี่แหละท่านจะได้รับพรอันนี้สงสมความมุ ม, มาปราถนานี่แหละห่วงกันนะตายไปแล้วยังห่วงกลับไปบอกเขานะอย่าลืมนะที่เคยเข้าสารมาวันที่หนึ่งมกราคมทุกเปรเอามานะอุตสาห์ตายไปแล้วไปบอกโคนโน้นคนนี้เป็นห่วงย้ายอุตสาหมา ก, ก่อนเขามาคอยที่กุติอัตมาหอประชุมนั่นเข้าสารมีอยู่สี วาปดหรือเก้รวสอบจําไม่ได้ในวันนั้นบอกว่าคุณนายละไม้ตายแล้วคงไม่มาคงจะไปแล้วต่อตมาประชุมสอในบอดสวดมนต์ไหว้พระออกมาก็คุณนายละไม้ก็อยากให้ทราบว่าแกมาแล้วเลยเขาสารหว่านหน้าหัวประชุมก็เต็มหมดเราต้องไปกวาดกันซะแย่เลยก็แสดงว่าคุณนายละไม้มาซะก่อนเขาแล้วนี่แหละท่านสาธุชนจะตายไปจากโลกมนุษย์จะไปอยู่บ้านไหนจะไปอยู่อเมริกาหรือไปอยู่ประเทศจีนที่ไหนก็ยังห่วงประเทศไทย ยังห่วงที่เราทํางานเข้าไว้ถึงหากว่าร่างกายสังขารต้องเอาไปเผาไฟเหมือนคุณแม่ละไม้แล้วก็ตามดวงวิญญาณอมะตะคือไม่ตายยังห่วงยายลูกหลานยังห่วงยายย่าพี่น้องทุกคนคนไหนรับคนนั้นก็เข้าคนไหนส่งกระแสจิตคนนั้นคิดถึงกันใครไหนก็ต้องเข้าเหมือนที่จิตของมอมะตะเร็วกว่าเครื่องบินนึกถึงอเมริกาก็ถึงนึกถึงเยลมันก็ถึง นึกถึงประเทศจริงรานึกถึงเนึกถึงบ้านเราก็ถึงทันทีพระจิตรวดเร็วทันใจทุกประการมีความหมายอย่างที่กล่าวมาแล้วทุกประการเราเป็นญาติพี่น้องกันนี่แหละอจตมารู้สึกปลื้มใจนะเอาสุขสารของท่านทั้งหลายเป็นการต่อเข้าสารต่อเงินต่อทองต่อบุญวาสนาบุญต่อบุญเอามาบาปก็ไปต่อบาปมาเดือดร้อนในใจเดือดร้อนทั้งบ้านเดือดร้อ น, ท, นทั้งหมู่บ้านสุขภาพจิตก็เสียไปถ้าเป็นบุญแล้วอย่านําพา โปรดดนบนนันดาลต่อเอาบุญวาสนานำพาส่งผลให้สําเร็จตามเป้าหมายของตอนที่สร้างไหวทุกประการอายุของมันขวัญยืนกันต่อไปเพราะเหตุนี้เราอยากสวยภายนอกก็เอาเสือ้อผ้าเอาพรที่หลับที่นอนเอาไปให้คนยากคุณจนเอาไปถวายพระสองปู้ทรงศีลทรงธรรมเราจะได้สวยภายนอกหิตใจมีคุณธรรมกือศีลเราก็สวยทั้งนอกสรือทั้งในแต่บางคนมีศีลแต่ไม่มีธรรม หมายความว่าไม่เคยมีทานกัใครเลยจิตใจแค่ไม่สบริจาคทานภายนอกมีแต่ศีลในภายในคนนั้นต้องไปอยู่คนเดียวเดี่ยวดายหัวเดียวอย่างแห้วหนอแนวไม่มีไม่มีญาติไม่มีพี่นอ้องคนเข้าไม่ถึงดู่ลำพึงลำพันธ์เลยก็กลายเกิดมาอยู่โดยเดียวดายเหมือนหัวเดียวอย่างแห้วหนอแนวไม่มีนะแน่จะไม่มีญาติพี่น้องประคองน้ําใจแต่ประการใดนนี้เราไม่ใช่แบบหัวเดียวอย่างแห้วหนอแนวหามีไม่ เราเป็นผู้มีหน่อแนวมีตระกูลวงมีญาติพี่น้องรักใครนับถือกันไปมาหาสู่การพึ่งอัดได้อาศัยกันดีมั่งมีสิสุขกันต่อไปได้แก่บุญกรรมได้แก่กุศลที่เราทำมาแล้วดังกล่าวเช่นเดียวกันในนั้นปีที่ผ่านมา2 5 3พันห้าสามสิบและยี่สิบเก้าเอสารต้องหมดไปแล้วสองร้อยสี่สิบกระสอบเศษที่เลี้ยงการที่วัดนี้บ้างโรงเรียนมาขอไปบ้าง เลี้ยงเด็กยากจนบ้างเลี้ยงในโรงเรียนบ้างข้าวปลาอาหารนักเรียนทั่วไปโรงเรียนวิทยาลัยทั้งหลายใครข้อสารจะไปแข่งกีฬาไม่รู้จะไปหาใครหาโรงศีเขาก็ไม่มีข้อสารให้แล้วก็ไปหาปลายเวทคือวัดวัดของเราเข้อสารโดกแต่ไม่ได้ทํานาที่นี่แต่ข้อสารมีให้เขาทานแล้วข้อสารนี้ก็ไปก่อการให้เกิดประโยชน์คืออดีศงไปฝึกงาน นักเรียนก็ไปกินนักศึกษาก็าไปกินกินแล้วก็ไปแข่งกีฬานํามาซึ่งวิชาการดังกล่าวแล้ววัดไหนผูกปฏิมาหลวงพ่อขอข้าวสารหน่อยก็อเอารถมาใส่ไปยิ่งใส่ไปยิ่งมาใหญ่ตานองนี้วัดไหนบวชชีพรามณปริวัตรจตุมหาข้าวสารตามโลวงศีไม่ได้ตามตลาดไม่พอบินทาบาทไม่พอพอใช่บินทาบาทไม่พอกัน ก็ต้องมาขอหลวงพ่อวัดอภวรวันขอข้าวสารรอนทงจกักรลินเทว ล, ลาโกรธประธานพรแล้วก็ทิ้งข้าวสารมาจากบนญภากาศมามากมายก่อนมานี่ก็ทิ้งวันทีนาพบประชุมแล้ว30ิประสอบมาในวันนี้ก็ประกอบการญาติพี่น้องร่วมกันอีกด้วยความสามัคคีทำนําสันทิสุขปราศจากทุกได้จริงคือพรวันขึ้นปีใหม่ข้าวสารก็มาร่วมใจกันถึง4ี่ที่เอ็ดประสอบสามัคคีกันจริงๆ กระสอบนึงมีต้องหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านเม็ดในกระสอบครบแต่ละเม็ดนี่ไปต่อไม่แค้หนึ่งเม็ดกระสุกเราต้องต่อไปคนอีกร้อยนำคนร้อยคนเข้ามาวัดมีการประจักษ์ชัดคือพรสวรรค์พรแห่งบุญกุศลโดนบันดาลเป็นพรสีประการในวันขึ้นปีใหม่ในวันที่หนึ่งมกราคมมาศพุทธศักราชท้งฟัอยสามที่เบ เงินไหลนองทองไหลามาก็จะกลับไหลไปสู่ที่บ้านของท่านดโดยปลื้มไปเตยเย็นดีได้มีโอกาสบริจาคทรัพย์บริจาคจตุปัจจัยเพ่งข้าสุกสารข้าวเครื่องแห้งตลอดกระทั่งเครื่องสับปะริวาังตลอดกระทั่งอายุมั่นฝันยืนด้วยอาหารนี่ทุกประการเพราะอาศัยแม่ตาธรรมจากบรรดาญาปีน้องของเราทุกคนได้มาสะสมบุญนําความสุขกลับไปหาท่านเป็นพรปีใหม่ บานของท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญทํากิจาการก็ราบรื่นทื่นบานสุขภาพอนามาก็ดีจิตใจก็เบิกบานจิตป่าถนาดีสิ่งใดก็กิจาการก็สมเหตุตามเป้าหมายทุกปริการอาตมะภาพเพะอนุโมทนาสาธุ ก, การแก่บุญยะ ร, ร่ำจากการกระทําแห่งบุญกุศลของท่านทั้งหลายท่านจะไม่ผิดหวังไม่จะก่อสารมากองทิ้งไว้วันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มตนน้นนีวันที่นะสนับศึกษาวิไลอชิวะ ก็จะเข้ามาอบรมร้อย3 0มสิ้หและทยอยฉันเข้ามาตลอดรายการมากลางวันก็เด็กินมากลางคืนก็เด็กใช้มีน้ำใจงามมาตอนไหนได้รับทานตอนนั้นรอนถึงจากอลิ้งเทวราชก็โปรยดอกไม้อานุโมทนาเป็นฝนแก้วฝนเงินฝนทองเลือกเย็นทั้ง จ, จิตใจของท่านก็เป็นเพชรน้ำหนึ่งมีทองคำ ที่ท่านมีประจําใจทองคําต้องสู้ลมไม้อทองคําต้องสู้ไฟไม้ใหญ่ก็ต้องสู้ลมที่ท่านต่อสู้กันมาชาานลานสําเ็จตามเป้าหมายคือพร4ิบประการธรรมภาพขออนุมโมทนาสาธุ ก, การแกบ่บรรดาญาติทุกท่านที่มีชื่อในประกาศอนุโมทนาแล้วและได้เสียสละเจะตุปัจจัยเชยทานของท่านออกมาบริจาคทานเป็นข้าวสารที่จะต่อการให้คนมาอบรมเป็นพันพัน ต่อไปอีกในโอกาสข้างหน้านี้คนเป็นบพันๆมากินข้าวของเราแล้วก็ต้องทําประโยชน์ให้แก่เรามีพลังกายด้วยพรที่ประการไม่จะเข้าสารไปทิ้งอย่างแน่นอนพร น, น, นี้จึงเป็นดนบันดาลด้วยอํานาจบุญอํานาจกูรศรและอํานาจคุณประสีลัธนาใจอํานาจเหตุผลทั้งอดีตและชาติที่ท่านทั้งหลายได้สร้างมาแล้วผสมกับเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นตะบะเดชะไม่ลดละภาวนาเกิดพลังอยิ่งใหญ่ ด้วยพรสีบละการโดนบรรดาลให้ทุกท่านดังที่กล่าวแล้วและบรรดาญาติสนิทมิตรหายก็ดีที่มาแล้วก็ตามไม่ได้มาก็ตามอยู่ยังบ้านเคหสถานทุกบ้านทั้งลูกหลานที่ไม่ได้มาปูา่ย่าตายายและท่านผู้ที่ล้มหายตายจากไปแล้วสู่ซ้ำประยยาภพจงมาปลาลบับส่วนกูชอนทัศนาทานที่ท่านบำเพ็ญในวันนี้ให้เป็นอัญยวิธีภาคปฏิบัติต่ตอไป ด้วยบุญกุศลโยนย้อนกลับมาหาท่านทุกท่านตรงประสบแต่ความสุขสน้ดันดร์อจงเจริญจตุพิธพรชายส่ประการมีอายุขอให้ ย, ยืนนานวันโนผิวพันธ์ของไสสุขรังคอยจุบภาพกายอนามัยทุกท่านโปรดได้ใจดีโรคภัยเคยเจ็บของท่านมีก็จงหายสิ่งทั้งร้ายที่ท่านคิดไว้ณนะบัดนี้ และจะคิดต่อไปโอกาสหน้าวงพรังงานให้เกิดความสำเร็จรเด็ดพนสมเจ็ดจำนงความหมงบาดปราถนาด้วยการทุกทุกธาตุหน้าโอกาสบัดนี้เธอ